พระธรรมเทศนาแผ่นที่71อลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28มกราคม2 5 5 8มีชื่อเรื่องว่าคนตายอุทิศให้คนหายใจต้องช่วยเหลือ ตามปกติเจ็ดโมงปดงหลวงพ่อฉันแล้วนะวันนี้นะวันนี้ช้าไปใชแล้วเนี่ยวะฉันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะลูกลูกหลานนะก็เลยเวลามาแล้วนี่คณะสัตธาญาติ ว, วันนี้หลวงพ่อเองก็คิดว่าไม่คาดคิดว่าลูกหลานจะมากถึงขนาดนี้ คิดว่าคงทางรองพระจันคิดว่าคงจะทำแบบง่ายๆที่ไหนได้โอ้ไม่ใช่ธรรมดาศรัทธาญาติโยมลูกหลานอุ่นน้าฟ้าข้างแต่เมื่อกี้นี่ก็เนี่ยท่านรองพ อ, ออกับในช่างใหญ่บอกว่าพอ อ, อต้องการพบพราะวาทางผู้ใหญ่ทางกรุงเทพเข้ามาหาวอางั้ น, นจะต้องรีบไปเห็นไหมแต่ไป เ, เน่ะภาระธุระเป็นอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมลูกหลาน วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลที่คณะัทธาญาติโยมลูกหลานได้จัดงานทำบุญส่วนหนึ่งก็คืออุทิศส่วนกุศลกับโรงให้กับผู้ที่ล่วงรับดับขันเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโรงพยาบา ล, ละ ร, ะระดับนี้โรงพยาบาลศูนย์ ไม่รู้ว่าใครต่อใครมาเจ็บใครได้ป่วยผลที่สุดก็ได้มาหมดลมหรือว่ามามาลณะหรือว่ามาตายอยู่นี่โรงพยาบาลเพราะอาการหนักที่อื่นมาแล้วนะแต่ที่ยังไงก็ตามเมื่อท่านเหล่านั้นมาลณะภาพลงมาลงไปพวกเราที่อยู่เบื้องหลังพวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นได้มีแต่ พวกเราจะอุทิศส่วนกุศลจึงได้มีการ <c oughs> ทําบุญนิมนต์นพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็จะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณที่ท่านเหล่านั้นที่ได้มรณะลงไปถ้าววัดดวงวิญญาณเหล่านั้นสิงสถิตชนทินใดที่ใดตกทุกข์ใดยากก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราพวกเราเต็มใจที่จะถวายอมอบ บุญกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นถ้าว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปทุกๆดวงวิญญาณนะและก็พร้อมกันวันนี้เมื่อเราเมื่อคณะศรัทธาญาติโยมรับให้รับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับทานอาหารตามอัตยาศัยส่วนหลวงพ่อก็จะฉันอาหารเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็คงจะได้ มีการประชุมวันนี้มีสองสามเรื่องนะคณะบัทนะสาตยาติยมลูกลาน อ, อ, อันดับแรกก็คือนี่แหละมาเจริญพระพุทธมนต์ทางโรงพยาบาลอันดับที่สองก็คือหลวงพ่อจะได้ดูที่หลวงพ่อสร้างตึกหนีไฟหลังนั้นหลหลังใหญ่แต่ชั้นล่างหลวงพ่อได้สร้างได้ทำตึกให้กับ ทางโรงพยาบาลสำหรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้าไข้ไม่มีที่พักหลวงพ่อก็ได้จัดที่พักให้กับทางโรงพยาบาลชั้นล่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะยมเสียออเป็นผู้ดูแลควบคุมนะหลวงพ่อก็เป็นผู้ดูอยู่เบื้องหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคนะ่าใช้จ่ายทั้งหมดก็หมดไปสองล้าน ก, กว่าๆนะลูกหลานนะ ทุกอย่างถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงไม่รู้ไม่ทราบน ะ, ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว น, นี่คือส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องมูลนิธิตีท่านประลัดจังหวัดที่ท่านเป็นโคศกนะ่ะพูดที่เป็นโคศกนะ่ะคือท่านประลัดจังหวัดนะคณะสัาญญาตยาจ้าโยมลูกหลานต่ อ, อนท่านเป็นนายอ๋อเภอที่กลุ่มพ่อวาปีจากนั้นท่านก็มาเป็นปรลัดจังหวัดอุดรของเรานี่นะ่ะขึ้นท่านได้เป็นโคศกให้กับพวกเราและก็พร้อมกัน ท่านก็ได้เป็นคณะกรรมการดูแลมูลนิธิของหลวงพ่อด้วยมูลนิธิทีแรกกหลวงพ่อจะตั้งมูลนิธิขอพิบาลสงฆ์หลวงตามหาบวญชนสัมปันโนแต่ว่ามีขัดข้องทางเทคนิคเอาเอาชื่อของท่านไม่ได้เพราะว่าบางญาติญาติของท่านไม่ไว้ใจเพราะาอาจจะมูลนิธิอาจจะมาแพร่คอ เรียลัยทำให้กิตติศัพ์ชื่อเสียงของหลวงตาเสียหายกันเลยไม่ได้ชื่อของท่านเมื่อไป่ได้ชื่อหลวงพ่อก็เลยเอาชื่อของหลวงพ่อเข้าไปแทนนะมูนิธิพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกแทนเพื่อดูแลสงอาพาดโรงพยาบาลอุดรธานีนะแต่ถ้าหาว่างานของเรามูลนิธิของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ไม่มีอะไรหลวงพ่อก็คงจะขอชื่อองค์หลวงตาจากญาติพี่น้องผู้ที่เกี่ยวข้องท่านมาตั้งเป็นชื่อว่ามูลนิธิขอพิบาลสงหลวงตามหาบุญชนะสำปันโนต่อไปรวมมูลนิธิของหลวงพ่อก็คงจะยบรวมเข้าไปเป็นขององค์หลวงตานะออขอให้ลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยมได้ทราบแต่การบริหารมูลนิธิทั้งหมดมีอยู่15ท่านไม่ใช่หลวงพ่อองค์เดียวนะ เพราะนั้นคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานผู้ใดใครอยากจะทําบุญร่วมดูแลพระสงฆ์อาพาธก็สมทบเข้ามาได้หรือว่าต่อไปภายภาคหน้าข้าพี่น้องปู่ย่าตายายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือล้มหายตายจากอยากจะทําบุญเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธต่อไปภายภาคหน้าก็ทําได้นะให้มาสืบสอบถามทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรของเราทางโรงพยาบาลอุดรของเราจะแนะนํา เรื่องจะทําบุญอย่างโรงพยาบาลสง์ในกรุงเทพอย่างนั้นละเรียกว่าอย่างที่ขอนแก่นก็โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อก็ได้ไปไปเป็นประธานในนี้เป็นประธานมูลนิธิตั้งชื่อว่ามูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น อันนี้กับหลวงพ่อก็ได้เป็นประธานมูลนิธินะอันนี้หลวงพ่อก็ได้มาเป็นนี่นะมูลนิธิประธานมูลนิธิอีกจุดนี้อีกจุดหนึ่งก็ไม่ได้หวังหน้าหวังตาเพื่อความผาสุก ข, ของดูแลพระสงฆ์เท่านั้นลหละหลวงพ่อก็พูดแล้วพูดอีกหวังนื่ออาณิสงฆ์ทางหลายทางปวงที่หลวงพอ่อได้ช่วยเครื่องมือแพทย์ได้ช่วย เ, เครื่องพาตัด เ, เตียงโรงพยาบาล โทษอย่างกระตอดถึงรถแ อ, อมโมร้องอมไว้แล้วหลายคันช่วยโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์อไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออยากจะเข้าโรงพยาบาลนะลูกหลานะเนาะหลวงพ่อนี่ตั้งกิตอธิษฐานอยู่อที่ข้าพเจ้าที่ลุกบหลวงพ่อได้ช่วยโรงพยาบาลมากน้อยถึงยังไงขออยากให้หลวงพ่อได้เข้ามาโรงพยาบาลเนาะหลวงพ่อวางกันนะเอ ถ้าถ้าจะถึงข่าวแล้วขอให้ไปแบบป๊อปแป๊บป๊อกไปเลยให้จบๆไปแต่ถึงยังไงก็หลวงพ่อคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่พ้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นหลวงพ่อจะพยายามทําคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มากที่สุดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานได้เห็นด้ล่ะนะเพราะนั้นวันนี้กถือว่าเป็นวัน วันหนึ่งเป็นวันมงคลมหามงคลได้มาพบเจอลูกหลานคณะสัตยาติโยมดูแล้วก็อุ่นหนาฝาข้างนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จ้านุโมธนาให้พอรอุทิศส่วนกุศลเนอะพวกเราคณะสัตยาติโยมน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลว่าพวกข้าได้มาทาบุญนสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณของท่านผู้ใดตกทุกข์ได้ยากอยู่ ในโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล น, นะถ้าหากว่ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณนะเรานึกคิดอย่างนั้นนะ